ก่อนที่จะสมาทานศินหลวงพ่อจเววาเรื่องศินเรื่องแนะนําเรื่องของศินให้แกพี่น้องศรัทธาญาติโยมเพื่อเป็นการศึกษาประดับสติปัญญาคันผูที่เคยบวชเลี่ยนเขียนอ่านมาแล้วเคยเป็นทิดเป็นจานมาแล้วก็พ่อจะรู้เรื่องเรื่องศินและกับพวกที่เคยเขา้าสู่วัดว่าศาสนา เคยศึกษาเคยอ่านตำรับตำล่าและอ่านหนังสือธรรมะแล้วว่าเคยเข้าสู่วัดเคยรักษาศีลคู่บาตรจานรพระสงฆ์เพิ่ออธิบายให้ฟังหลายขังต่อหลายโหนก็ะพอะจะเข้าใจแต่โดยมากที่หลวงพอมองมองดูพวกเขามีภาระภ้าระกิจทุระหมากไม้ในละขู่แต่ละคนจะไปนสนใจเรื่อง สินหาเรือุบเรื่องดึงสินเรื่องถ้ามันก็เป็นเรื่องของที่ยากพอสมควรอยู่สำหรับออกตนหยาดโยมโดยมากไปในงานต่างๆเป็นงานมงคลอวะมงคลางานมงคลก็คืองานวันเกิดงานแต่งงานงานทํำบุญบาทขืนบ้านหม่อันนี้เรียกว่างานมงคลงานอาวะมงคลก็คืองาน งานศพงานพระราชทานเพิ่งหรืองานไปชุ่มเพ่งหรือว่างานสวดพริธรรมคนตายอันนี้เป็นว่างานอาวะมงคลพวกเข้าพ่อไปงานทั้งสองงานนี่ดยมากพ่อไปหอดก็ว่ายพระว่ายพระขารับสินพอรับสินคู่ใบาจานที่เป็นประทานสง์ที่เป็นหัวหนาเพิ่นกระจับตลับปัดมาเลยกันะโมตัสสะนี ก็ให้สินอันนี้โดยมากจะเห็นกันเป็นประจับที่จะเพินว่าเออเอาที่ว่าเรื่องสินให้เรื่องท้ำไหมฟังก่อนเด้อโดยมากจะบอกคอยเห็นเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยหลวงพ่ออินเนี่ยก็เล ย, ลอ เ, ลยเอพวกหยาโย่อมมีแต่ทำมากค้าขายจะรู้จักเรื่องสินเรื่องถ้ำเรื่องสินหาเนี่ยในายละเอียดเนี่ยละเอียดละอ่อนเนี่ย จอริละเอียดได้บอเพราะบทงี้นี่ได้ฟังถ้าว่าเป็นทิศเป็นจานมา ก, ก่อนเราก็เออเอาก็บาวกรกันพอได้ศึกษามาแล้วแต่ว่าทิศจานบ้า น, นก็ที่ไม่า้าให้พวกออกตนญาตย่อมหรือพี่น้องฟังเออก็บ้องจะให้ละเอียดแล้วออกก็บ้องจะยากอีกเหมือนกันเออมีแต่ว่าสุลาเมระยะระยะ ขั้นกินเราก็กินจะไปกินติดกันหลายกินเป็นระยะระยะเด้อะพวกทิดพวกอจยานอธิบายไปจังสั่นหมดไปขันว่าป่าหน้าติป่าเนี่ยป่าหน้าติป่าตาเนี่ยป่าหน้าไปไปหาติป่าตาคนว่าเออเออป่าตาปลาตาบอดป่าตายังก็ระูหัวหลัะใกล้เว้าเรื่องไปจังสั่นไปพวกทิดพวกยานทั้งหลายที่จะอธิบายให้ฟังละเอียดทีถ้วน หลวงพ่อก็ยังมองบ่เห็นเหมือนกันเพราะนั้นเวลาสัทธา ญ, ญาติโยมมาจังสี่หละจยากตั้งคินจังสิหลวงพ่อจะอธิบายแล้วว่าถ้ำความขอใจให้แก่พวกคณะสัทธา ญ, ญาดโยมเพื่อเป็นแนวทางกาันผูได้หูแลว้วก็อเอาหูแลว้วกันผูว่าท่นหูเออเรเคยได้ยินแนวจังสเพราะวันรักถ้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเปินบอกว่า สุดตามยัปัญญานีปัญญาเกิดจากการในยินในฟังจินตามยัปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ค่วนทบทวนสิ่งต่อจิตในฟังภาวนามยัปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบอันนี้เป็นว่าภาวนามยัปัญญาหก่อนจะคนจะเฉียวฉลาดขึ้นมาได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 อันนี้คืออันนี้สงแหงการฟังธรรมจะจบแล้วก็คือรักธรรมขั้สอนของพระพุทธเจ้านี่บแมแนจิพโโลพระราขึ้นมากกระตีเข้าใจเลยกิะตีหูเรื่องเมืทุกอย่างเออเป็นไปจังสันบอไรมันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายขั้งตอไลหนุนคูบายาจารย์อง์นี้เบอกคูบายจารย์อง์นั้นเบอกอ่านตำรับตําราจึงจะตีความหมายและเข้าใจได้เพราอรักธรรมขั้สอนของพระพุทธเจ้า แปดมืนสี่พันพระถ้ำ ม, มาขันถาเบิงคูเหมินในพระไตรปิดกของกรมการศาสนาตังสี่สิบห้าเหลี่ยมเหลีมนั่นกับพุ่นมือง่างพุ่เหลี่มด้านนาคำว่าคอของสอธรรมพักดีกับพุ่ะร้อยเหลี่ยมพุ่ะของมหมามกุฏกันเก้าสองเหล็ม จะลบแล้วก็คือพระธรำแปดหมื่นสีพันพระธรำมขันอยู่ในหัน่นบาดในไผ่สีหูจักทางเวทอะพราะมีพระได้จเจริญจบทั้งเวดแต่ว่าผู้หนึ่งกับหูหมอกนึ่งผู้หนึ่งกับหูหมอกนึองแต่ก็พ่อจับใจความในว่ารักถ้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นมีจุดหมายหนังมีจุดประสงค์หนังอันนี้กัอเอาจุดประสงค์และจุดหมายเอาม้าว่าให้สู้กันฟั่งจังคูบายจาน ดังยงพรนี่บางที่ก็อกเออมัสบเรื่องศีลใ้ฟังเน้อเนี่ยหลวงพ่อกาลังสีบ้าเรื่องศีลเจ้าเรื่องเรื่องธาตุเรื่องศีล เ, เ, เรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะต่างมีต่างเยอะแยะแต่หลวงพ่อสีบ่อเรื่องศีลเหให้แก่พวเข้าฟังเนะพราะว่าพักเข้าขอศีลหลวงพ่อก็บอกว่าขว่าพวกเขา้าบอได้เขาวัดเขาว่าบอได้ศึกษาในรายละเอียดพัวแหน่โนมก็คงจะ รับไปตามประเภทนี่เขาว่ากับว่ากันไปตามมันจบนี่แหละไอ้เรืองลวงพ่อขอมารวิตกจุดนี่ขึ้นกันเพราะนั้นจึงได้อธิบายให้คณะสัตท่ายนัทโยมฟังว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะมะยังพันเตวิสวงวิสวงรักนันถายะติศลเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะบางแห่งกับว่ามายังพันเตติชลเนนสหะ บางแห่งก็ว่าไม่ยังพันเตวิสูงวิสูงรัลักขณัติายะเป็นอย่างรักษาศีลหาขอศีลหาอันเดียวกันเป็นอย่างมีสองมาตรฐานจังมีสองยงักษ์คันผู้สังเกตจะตีเถียงในใจได้แต่ก็บอกเข้าใจเพราะว่าเป็นบภาษาบาลีคันบอคันเขาว่าผ้าว่าไปแล้วก็ว่าแล้วก็แล้วไปจะไปหาฟริจานเรื่องของพระของเจ้าเดี๋ยวเป็นบาป คันภูมิวิจารณ์เป็นอย่างมัน ย, ยังมีสองมาตรฐานยังมีสองแนอคันภูมิสังเกตนะเพราะนั้นเพียงสองอย่างอลัตนาศิลานี่พวกเขาก็ยังสงสยัยวันหนึ่งคันที่ตั้งความสงสัยนะแต่ว่าคนปนวาคนที่มีความสงสัยนะั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาปัวาสันได้ไอ้นถีอยังโจงโลซื่อบื้อไปเรนะื่อยอันนั้นป่ญวาปัญญาบ่เกิด ค่านว่ามิยังเกิดขึ้นสงสัยเอ๊ะเป็นยังเป็นยังสี่แล้วก็ถามไทยอ น, นาดเป็นบอกเกิดแห่งปัญญาอันนี้คือกันยังพวกเข้ามาย่างพันเตวิสุงวิสุงลักนัดถ่ายะเมื่อกีเนี่พวกภู้ขาทั้งหลายขอสม า, ท า, สมาทานสมาทานศีลหานะแต่ภู้ขาขอสมาทานเป็นขอขอเออเพราะอเนี่ยคือภู้ขาปาน่าอทิหนากาเมมุสสาสุราหาหาขอคัานว่าภู้ข่า ลงเรื่อมไปตบยุ่งยุ่งตายขาดไปขอหนึ่งย่งเหลือสีพ่อไปไปเห็นร่องเท้าเขาขี่ขโมยร่องเท้าเขาอีกขาดไปสองย่งสามไปไปเกี่ยวผ้าลายสีภรรยาลูกสามีผู้อื่นขาดไปขอที่สามไปขี่ตัวผู้อื่นขาดขอที่สีไปเห็นมูกินเหล่าไปกินเหลาก็มูเขาขาดขอที่หา อันนี้ขาดเป็นคอๆเนี่ยมาย่างพันเตนวิสูงวิสูงคือรักษาเป็นคอๆแต่มาย่างพันเตนติสลาเนนจาหะปัญจะศีล่านียญาจามะเข้าพระเจ้าทั้งหลายขอธรรมารท่านสินทั้งหาขอพอรกันเนอะขอจากพระคุณท่านอันนี้ก็คือขาดคอได้คอหนึ่งแปลแปลว่ากระมดไปทั้งทั้งหาขอแต่ว่าร่วมกันเลยขอทั้งหาขอ เกิดจะรักษาให้หัวหาขอทั้งให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อันนี้คืออาราธนามีอยู่สองมาตรฐานขอสองอย่าง ข, ขอสองแนลนี่แหละอันนี้คณะสัตว์ท่า ญ, ญาติโยมเนอนี่ลุงพอบอกให้ฟังเลยคือการขอสินมีมีอยู่สองอย่างเ น, นีขอนหนึ่งคือขอภาพร่วมเนีขออันนึนงคือขอเป็นขอคออันนี้คืออาราธนาศินสองอย่าง ถ้านได้มาพูดถึงนาโมตัสสะบันนาโมตัสสะปะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยคือพระพุทธศาสนาของเขานี่เพื่อให้ย้อนระลึกถึงพุทธประวัติศาสตร์เลยประวัติศาสารตร์เ ป, เป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างมากในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเข้าฉีดรักษาชินหาเนี่เป็นชินหาของไผเป็นชินหาของหลวงพ่อเอ็นบ๊หรือเป็นชินหาของสมเด็จพระสังฆราช หรือว่าเป็นสินหาของคู่บ่ายจานลูกปู่าสาลูกปู่มันบอบอมนันเป็นสินหาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นตนาศาสนาเป็นตนพระพุทธศาสน า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาเมื่อเพิ่อนในตัสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเพิ่อนไดประกาศพระาศาสนาประกาศเรื่องให้ให้คนมีจิตใจตอกันเด้อให้มีท่านเด้อแล้วให้มีศีลให้มีอยู่การอยู่น้ากันหลายๆคนให้มีกฎระเบียบเด้อ เแล้วก็ไ้มีการภาวนาจเจริญปัญญาเนอะอันนี้คือท่ามข้าสอนของพระพุทธเจ้าบาัญญัตเพจนบัญญัติศินหาคอการโย้ด้วยกันนี่ยพระพุทธเจ้าเพจนบัญญัติสินหาขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นพวกเข้าจะรับสินหาของพระพุทธเจ้านี่เข้าจึงนอบนอบ้อมเข้ารบตนศาสดาต้นพระศาสนากรคือต้อนต่อก่อน ในยวันนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระองค์นั้นก็นคือพระพุทธเจ้าต้นาศาสนาต้นพระพุทธศาสนาจากนัก็พุทธังสระนางังคัจฉามิธรรมังสังขังดูติยามปีพุทธังธรรมังสังขังตาติยามปีพุทธังธรรมังสังขังสระนางังคัจฉามิ ข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นทีพึ่งอันนี้ก็คือเข้ายืนหยันทั้งสมเถือยึดจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแบบฉบับเป็นสารณะเป็นทีพึ่งของพวกเฮาทั้งหลายจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศีลละบาดปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการขาพระพุทธเจ้าว่าพวกสูเจ้าทั้งหลาย เป็นขาวาดญแงดโนมให้มีศีลหาน่ะอย่าไปคิดขากันน่ะการคิดขากันเหาคิดข่าผู้อื่นผู้อื่นคิดข่าเห่าอะไดกับขัวหมดชีวิตขัวตายการที่ไปเห้าไปคาเขาเขาก็เสียใจเขาไปคาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาคาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาเขาก็เสียใจคือกันเพราะนั้นยาคากันให้เคารพศีลซึ่งกันและกันน้ะ อันนี้คือสินขอที่หนึ่งคันว่าพสู้เจ้าทั้งหลายมีแต่คิดขากันไปไสก็มีแต่พกผ้าอาวุธแล้วเว่งระว่างกันอยู่ผู้นั้นจะคาผู้นี้ผู้คนนี้จะคาผู้นั้นที่ไปไสก็ต้องเตรียมพกผ้าอาวุธไปพวกสู้เจ้าจะหาความสงบสุขวะใดเด้เพราะเห็ุใดเพราะพวกเจ้าพวกสู้เจ้าว่มีศินอันนี้คือศินขอที่หนึ่งสินขอที่สองทิหน้าท่าหน้าเวรมันี่อย่าไปขโมยของเขาเน้อ เขาขโมยของเขาเขาก็เสียอกเสียใจเขามากขโมยของเฮ้าขึ้นกันเฮ้าก็เสียใจขโมยนั่นมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนด้นี่ยขโมยินขโมยท่องขโมยซิงของต่อไปมันใหญ่ขึ้นขโมยพอแม่พี่น้องปลุกร้านของเขาไปเหลียดคาไทยเขามาขโมยพอแม่พี่น้องของเฮ้าไปเหลียดคาไทยเฮ้ามีความรู้สึกจังไรเสียใจบ่เฮาก็เสียใจไปขโมยของผู้ใดผู้ใดก็เสียใจขึ้นกันเพราะยหตุใดเพราะไปขโมยของเขา เอออันนี้แหละอันนี้พระพุทธเจ้าทวงสู้เจ้าทั้งหลายอยู่ทำกันเป็นมูเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นประเทศชาติบ้านเมืองชุ่มชนของโลกสู้เจ้าอยา ข, า โ, มยย ข, ขาโมยกันเน้อขั้นขโมยกันเน้อเดือดร้อนจะหาความสงบสุขบัไใดในชุ่มชนของสู้เจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบอกกล่าวจังสันอันนี้คือสินคอที่สองคอที่สามกาเมสุมิชฉาจาราว ร, รมณีภรรยาสามีของบัวใดไปกรหัก ลักสังวนหวงแหนของไัยของมันเพราะต่างคนต่างมี่ให้เคารพซิทธ์เขาเนอให้เคารพซิทดให้เคารพอธิปไตยของเขาเนอรให้เคารพซิทธ์ซึ่งกันและกันเนอร์ทว่าเฮาไปล่วงหล่ำอธิปไตยของเขาบอกเคารพซิทธิ์ของเขาเขาก็เสียอกเสียใจเพราะนั้นให้ผู้เจ้าทั้งทั้งหลายให้เคารพซิดกันให้รักกันไวถาว่าผู้เจ้าว่ามีการเคารพซิ์จึงกันและกันแล้วสู้เจ้าจะหาความสงบสุขบ่ได้ อันนี้ก็คือศีลขอที่สามขอที่สี่มุสาว่าท่าเวรมานิเนี่ยสู้เจ้าทั้งหลายจะโกหกต่มตุลหลอกล่วงโกหกหลอกล่วงกันเถอให้มีอย่างให้มีความซื่อสัตย์จุดจริตต่อกันเว้าให้เป็นซัดให้เป็นว่าจาให้มีความสัตดจริงในการพูดเอจะไปโกหกต่อแะไรกันจะไปต่มตุลหลอกล่วงผู้อื่นเขาโดยใช่ว่าจาขันว่าเฮาไปต่มตุลหลอกล่วงเขาเขาก็เสียหาย เขามาตุมตุนหลอกลวงเฮ้าเฮ้าก็เสียหายขึ้นกันเ อ, อสมมติว่าเนี่ยกระดาษแผ่นนึงไงเขียนว่าเป็นเช็คว่าขี่ตัวว่าเงินอยู่ในธนาคารมี่เขียนเช็คให้เขาที่แท้แทเ่เลยเงินอยู่ในธนาคารบอมีเป็นเช็คเด้งเนี่ยนี่อันในแจ็ตว่าขี่ตัววอก็เมื่อกี้ขี่ตัวขึ้นกันขี่ตัวยางมากๆเสียหายยางมากเพราะการขี่ตัวนี่ยโมเมนมันโมแมนเหลืองเล็กหน่อยมันเรื่องเสียหายอย่างมากๆ คำนว่ากู้บายอาจารย์ขึ้นกันถ่าว่าสอนนักเรียนสอนนักศึกษานกี่ตัวไปเออวบยัวกระหล่อมกระรอย น, นักศึกษามวลหนักจะเฉเแล้ยวฉลาดจะมีความรู้ใดจังใดจะมอเห่าเดินทางไปมาหอดหน้าคำํำลอยนีย่ลงพออสิ่ไปทั้งผู้ก่อนสี่ไปทั้งไหนลงพอสี่ไปทั้งสังคมคนทางสังคมสังคมสี่ไปผลน้องไข่คน่ะ้ะ พูดล่ะหยุดผู้กอ่ออย่าตงพูนล่ะพวกเขาจะไปหอดผู้กอ่อโดยบ๊ต่างคนต่างขีตัวกันใชนี่แหละความขีตัวคือความบริสัทจริงต่อกันมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายพระพุทธเจ้าเพันว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้คือคือทํามขาสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วคือคืองสินของพระพุทธเจ้าที่ลงพ่อว่าวมาตั้งแต่ป่าหน้าอทิหนากาเมมุสาสุรากาเมมุสาเนี่ย สรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเอาใจเฮาไปใส่ใจเขาขันว่าเฮาเขามาทําให้เฮาเดือดร้อนเฮาก็เดือดร้อนบลัดฮาเฮาไปทําให้เขาล่ะเขาจะเดือดร้อนไหมเขาก็เดือดร้อนไอ้พ่อยนั้นยาทําในสิ่งที่บัานหมวถูกต้องยาทําในสิ่ง ท, ที่ที่จะทําให้ตนเองแล้วผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้ก็คือศีลหาแล้วก็ขอขอที่หาบัตรสุราเมระยะมัชชะปะมา่า การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือคนดื่มเหลากินเหลาเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋มันสงเคาะเข้าไปหลายๆอย่างขั้นชา ย, ยาฟินเฮโรอินยาบายามากมากไม้โคกขอโค่เข่นยาองค์ยาไอ้มีหมากกูมือนะเนี่ยพอบานเมืองเจริญแต่สรุปแล้วก็คือเสพแล้ว ก, กินเข้าไปแล้วดนะื่มเข้าไปแล้วเสพเข้าไปแล้ว จะทําให้สติสตังของเขาเนี่มึนเมาและขาดสติในที่สุดในเมื่อข้นขาดสติแล้วทําความชั่วด้ทุกอย่างคนกินเหล่าเมาสิขาดสติข้นกินเบี้ยวเมาขาดสติคนเสพขั้นชา ย, ยาฟินมากขาดสติพ่อขาดสติแต่ท่าความชั่วด้ทุกอย่างขาค้นก็ะไรข่าม้อยของไผ่ก็ได้ลาลาบล า, ลาลวงสามีภรรยาลูกหลานไผ่ก็ได้ขี่ตัวไผ่ก็ได้นี่แหละ กาว่าคนเมาสุลาโมเมนของดีเพราคนขาดจติเพราะคนเป็นบาค้นขาดจติคือคนเป็นบาถ้าคนเป็นบานเหากับย่านเขาบล็อคเหมือนเขามีปืนอยู่ในมือนะี่ยไพกับว่เขาไปใกล้ขึ้กันย่านนะจักมันจิเปียงป้างมาจะในค้นขาดจติเนี่พรามันคนเมานี่คือกันนี่แหละสินหาของพระพุทธเจ้าที่เพลินว่างไวยนะปกคลองพี่นองไปชาชนทัศน์ท่ทาญาติโยมสําหรับพวกเข้าทั้งหลายที่เป็นคารวัตหยาิโยม อุบาสกกิคือย่มผู้ชายอุบาสิกาก็คือโย่มผู้หญิงว่าพวกผู้เจ้าทาั้งหลายต้องการความสงบปล่มเย็นเป็นสุขในชุ่มช่อนในสังคมของสู้เจา้าอย่างหน่อยให้มีสินหาไวเดอร์ขันว่าผู้เจ้ามีสินหาไปแล้วนะปิดอบายเูมิบอตกนรกบอเป็นคนซัวบอเขาคุก เ, เ, เขาตาล่างาว่าข้นมีสินหาขาานขาดสินหาเท่นั้นแหลนะไปเป็นได้ซุกอย่างเป็นยวศีเรนะซุกะติงยันติ ผู้ไปสู้สุขติได้เพราะสินสีเลณโภ่นะกะสัมปธาผู้จะมีโภคขะสมบัติได้เพราะสินสีเลณนะิน่ผู้ติ่งยั่นติผู้จะไปสู่ในผ่านได้เพราะสินนะเพราะนั้นศินของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ที่พวกเข้าจะสามารถท่านต่อไปนี่นะเป็นนาทีของไผยเป็นนาทีของพวกคณะรัทถ่า ญ, ญาติโยมทุกขูทุกคนนะ้า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 กว่าโตอราหะโตสัมมาสัมโพธิัตว์ผุ้ไทยทายลยูกจะไปทายไม่แฟดนะ่าจะไปคุยกันหลวงพ่อซีเวกอยังให้ฟังบองพกพานัอนพวกเข้าคุยกันคุยมานานแล้วละ่ะ ขันพลเดอยากคุยกันมีทุระคุยกันพูนะกอดขอด้อไปเตะล่างชะล่าคุยกันนี่พดขันอยู่ชลาให้ฟังฟังหลวงพอ่อหลวงพ่อสีบอกยัง ใ, ง, ยกยงให้ฟังแต่มื่อเดี๋ยวแจสบอกยังให้ฟังล่ววะมีแนววาวาวะบอกเป็นภาษาบ้านเฮ้าเนะาะยังฟังฟังง่ายยาไปหาบอกภาษากลางพวกเขามีแต่ภาษาบ้านเฮ้าเนี่วาแบบฟังง่ายๆนะบอกจังซีะภาษานี่หละ ฟังนหลวงพ่อชีบอกอยังให้ฟัง่งเออเมื่อนี้โยมหัวหนาคณะปกคร้องเทศบาลตำบลกุดจับอําเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีใน้าคณะศรัทธาญาติโยมม า, าปฏิบัติธรรมเพิ่นบอกนี่นีเปิ้นว่ารอยยี่สิบ ร้อยยี่สิบคนแต่จิตถึ ง, ถงบริสข า, อาดออกโรคบันไดค่อยค่อยไปนับกันเมืองหนะา้าสิกาทสษีเกินเพิ่นบอกว่าในร้อยยี่สิบคนหลวงพ่พอเห็นพีนองคณะสัตว์ท่า ญ, ญาติโยมอำเภอกุดจับผูสูงอายุทางูพอายุหน่อยอายุกลางปูนกลางเห็นแล้วกับปราบปื้มใจที่หัวหนาที่ผ้ามูเผื่นบริวา เขาสูวัดว่าศาสนาเพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่ออาศัยการใดเยินในฟัง่งจากคู่บาอาจารย์จากพระสงฆ์เพิ่นปฏิบัติอยู่ในปา่าดงโพงไพ่เพิ่นที่บอกจังไนให้ฟัง่งแต่ก็พร้อมกันเมื่อฟั่งเทศจบแล้วลงพอจะแจกหนังสือหนะ้าศรัทธาญาติโยมอย่าเพ่งอย่าพึ่งลงไปจะมีเอ็มที่สแจกพร้อมให้แกพวกเข้าในฟัง่งในศึกษา หลวงพอมองวาการที่เข้ามาสู่วัดว่าศาสนาเนี่มันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟั่งอย่างที่หลวงพ่อเดกกล่าวว่าสุตตะมิยะจินตามิยะมิยาภาวนามิยะปัญญาอันในสงแห่งการฟั่งถ้ำผูกฟั่งถ้ำจังไดผัวใดยินบได้ยินได้ฟังอย่าใดยินได้ฟั่งจนได้รับความจิตใจได้รับความคลองใสในเมื่อได้รับรักได้รับเหตุได้รับผลถูกต้อง นี่แหละสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นหัวหนานายก เ, เทศบาลเพิ่นผ้าพวกเข้ามามบริอนกเพื่อเพื่อผัวเข้าจะได้ศึกษาเอาพอาะทางโลกเขาก็เห็นไปมากไม้แล้วตลาดตะลีแต่ละมือแต่ละวันแต่วัดว่ า, าศาสนาจังสีผพวกเข้ากับเด็กหัวมาสู่วัดของหลวงพ่อพวกผัวเข้าคงจะบ่เคยเห็นวัดปลา เป็นยังไงเป็นังสี่หลวงพ่อนี่บางที่สมัยนั้นเมื่องานของหลวงตาพวกเข้าคงจะได้เห็นแต่ในโทรทัศน์ของหลวงตาออกข่าวข้าวงานงานพระราชทานเพื่อของหลวงตาเอาออะไรมาเห็นวัดหลวงพ่ออินเลยวัยที่ก็ไม่เห็นวัดของหลวงพ่อเนี่ยนี่แหละเป็นปา่าหลวงพงไพ่หลวงพ่งพงพอมาอยูน่นี่ตั้งแต่ปีสองหาการณ์ัทธาญาติโยมหลุกลันสางมาหลายปาีดีดัก หลวงพ่อก็อยู่ในปลาในดงนั่นสิละ่ะเป็นพระปลาทั้งดุดอย่างที่หลวงพ่อเคยเบอาเคยว่าเพราะนั่นพวกเข้าที่ได้มาาบนนุญเด็ก็มาเห็นบางคนกับของจะบอกเคยมาพอมาเห็นเออวัดปลาเนี่ยเขาอยู่แบบนี้นี่แหละอันนี้ก็เป็นการทัศนศึกษาไปเห็นหลายๆหม่องในเมื่อมาเห็นหลายๆหม่องแล้วบัดก็มาทะมาเด็กยินได้ฟั่งหลวงพ่อว่าวอีกเออเรื่องสินหาในผู้ขากับพกเคยได้กยิน ทีพระจิบเอาเรื่องศีลหาให้ได้ฟังจังสิอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งต่อไปนี่เออเมื่ออลาลัธนาฟังเทศบันหลวงพ่อก็จิบเอาเรื่องเทศให้ฟัง เ, เรื่องธรรมะให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติตนจังใดในการเป็นอยู่ของคารวะญาติโยมสำหรับเป็นพระสงฆ์ปฏิบัติตนจังไดจึงจะถูกต้องตามรักธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้าสําหรับศรัทธาญาตโยม ปฏิบัติตดจังไหนจึงจะเหมาะสมเสียงเราเนี่พวกเข้าต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากพระสงฆ์คู่บาอาจารย์อย่างหลวงพ่อนี่หลวงพ่อถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อเนี่เป็นบวชมาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นเน้นหน่อยป่ะเด็นคณะธาติทยโยมลูกลานบวชมาแต่อายุ 11-12 ปีเออเป็นเน้นจย่ปีเป็นพระตั้งแต่ปี0ย์ จนหอดสองพหปีนี้แหละลูกหลานนับปนุสักปีนี่แหละชีวิตของหลวงพอ่อนี่ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาย่าวนานถ้าจะว่าไปแล้วย่าวน่านอันนี้เกิดจะขึ้นเลขเจ็ดแล้วอีกบอกกี่ปีขางหนาเพราะนั้นพวกเข้าคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมเนี่ยออมาสู่วัดของหลวงพ่อนี่หลวงพอมีหยัง่งเพิ่นจึงอยู่ได้จึงอยู่ในศาสนาจังสี่เพิ่นที่มีหยังย่งแนวหยัง่ง ที่บอกให้พวกเข้าได้ศึกษาเป็นแนวทางแห่งการประพติปฏิบัติเนี่ยนี่แหละอันนี้กัถ้าว่าพวกเข้าใส่ใจในการฟังในการศึกษาพวกเข้าก็จะได้นําไปประพืชปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าจ่าใจของพวกเข้าเพราะนั้นทำมารำคาสอนถ้าว่าเข้าไปหาองค์นึ่งคนกระบอกแนวหนึ่งให้ฟังอย่างที่หลวงพอเบอกให้ฟังเพราะพระธรำแดหม 80, ื่นสีพันพระถ้ำ ม, มักขันพระพุทธเจ้าพัน กับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจเสด็จไปประทับจุดนี้ลิมสะแหงหนึ่งจากนั้นมาเพิ่นก็เลยนั่งอยในให้ในพื้นดินกับพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ก็พร้อมนั่งหล่อมหลอบเพลินก็เลยเอามือไปกวาดกับจับกวาดใบปะรูใบปะดูจับขึ้นมากกัหนึ่งเพิ่นก็ประกาศว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลาย ไม่ประดูใบทไม่ประดูในกำ ม, มือของเขาเนี่กับใบไม่ประดูที่มันล่นอยู่นี่อันได้หลายกว่ากันเพิ่นถามทุตั้งตั้งปัญหาถามนะพระสงฆ์ทั้งหลายกกระดับทูตพระพุทธเจ้าว่าใบาไมที่มันล่นในแผ่นดินนี่หลายกว่าพระเจ้าค่ะแต่ใบทม่ในกำ ม, มือของพระพุทธเจ้ามีหน่อยเดียวมีกับเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่านี่แหละ ค้ำข่ำสอนของเล่าตถาคตที่เล่าได้ตัชสูเป็นพระอรุตรสัมมาสามัมโพธิญาณ น, นั้นเปรียบกันกับใบไใม้ล่นอยู่ในแผ่นดินมากขนาดนั้นละ่ะแต่เล่าที่ยิบเอามาใช้เอามาประ ก, กาศเผยแผ่ให้แกพวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่เท่ากันกับใบไใม้ในก่ำมือของเฮาเพราะเหตุใดเพราะเชียงเรานั้นอธิบายไปแล้วมันก็บอเกิดประโยชน์ เออมีแต่สีขาจังส์เงี้ยสีแกงจังสีสีขาอาณาจักรอาวุธจังสันจังสีทําบ้าข่าขายล้วยมันจะมีแต่เรื่องอยู่ในโลกทั้งวัดบอแมนเรื่องจีงนีออกจากโลกวัฏสงสารมีแต่เหติติดอยู่ในโลกเสียงที่เข้าสอนนี่ให้เป็นแนวทางเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์แล้วจะไม่มาเวียนกไกว้ตายเกิดในวัฏสงสารอีกที่นําทําคําสอนของเราธีกามมือนึงนี่ ท, ท, ทีนั่นมาสอนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าตันเพินตรัดจากนั้นพระก็อธิบายเรื่องศีละบาเนี่ยสำหรับคารวาหญาดโนมปฏิบัติตนจังไรไหมี่านุนอะ้ทาว่าพวกเข้าแต่พวกสูเจ้าทั้งหลายเป็นค้นขีตณีทีเหนียวโบจักมีมน้มใจต่อกันโบมีการสเสดือเพื่อแพร่ต่อกันพวกท่านทั้งหลาย ถ้าคิดอีกในมุ่งกลับนึงบอกว่าเฮาหาเงินทรัพย์สมบัติมาได้ด้วยความยากลําบากเราจะไปแบ่งให้คนไปให้คนใช่เออบ้านเขาเขาก็เป็นคนงโง่เลยสะพราะผูใ้ใดเจ้าพนว่าถ้าคิดมุ่งแบบนั้นมันก็ลักษณะใช่แต่ถ้าพูดว่าพวกเขามีแต่ผูกตา น, นี่ทีเหนียวโบยว่าย่อมแบ่งปันกันแต่บอกมีการเสียเสียสาระให้กันผู้ใดใดมากเลยกันมีแต่กอบโกย บ่ย่อมแบงให้ไผเลยบ่มีน้ำจิตน้ำใจตัวกันพวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีสิว่าโลกทั้งโลกในยุคนั้นสมัยนั้นจะมีความสุขไหมต่างคนต่างเห็นแกตัวพอแม่ก็อยู่กับปลูกบ่ได้ลูกกับอยู่กับพอกับแม่บ่ได้พี่น้องทั้งหลายก็บบ่มีต่างคนต่างเห็นแกตัวหมูหมากาไก่กัอยู่กับคนบ่ได้หมูแม่หมาแมวเนี่ยอยู่กับพ่นบ่ได้เพื่อไรเพราะคนบ่มีน้ำใจบ่มีการเสียสละให้กันซึ่งกันและกันนี่แหละเพราะพู้ใจเจ้าบ่ได้ คนเท่าต้องเสียสละเมื่อได้ซับสมบัติมากต้องหูจักแบ่งปันแบ่งปันให้คนที่ควรแบ่งปันบอแมนสีแบ่งปันจุ่ยชุย่ยไหลใดมากเลยก็ลุยชุยแฉบบอแม่นให้หูจักในการแบ่งปันอันนี้ก็คือเรื่องท่านส่วนเรื่องศินก็คือพวกเข้าต้องมีกดต้องมีระเบียบอยู่น้ากันพอผู้ได้เจ้าก็บรรยัยสินหาประการอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้พวกเข้าท่านทั้งหลายฟังอันนี้ก็คือศิน แต่เรื่องสมาธิทีนี่เรื่องแนวความคิดทางด้านคิดใจก็ต้องมีอีกนะแนวความคิดทางด้านคิดใจใจคงเข้านี่เออเข้าไปค้นคว้าศึกษาเบื้องแล้วเนี่ยตะกอนเข้ากัเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอออยู่ข้องอยุ่กวงกบินละพัดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่ออายุเข้ายี่สิบเกปีเออเข้าก็ร น, นีขโมยออกไปบวชอยู่ในปา่าไปบำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหปี ไปบอมเพ่นล่องพิษล่องถูกล่องถูกล่องพิษเพื่อการทดล่องทดสอบถึกอดภัคยาหารถึงสี่สบเก้าหมื่นเท่าก็เคยอดแล้วก็เคยทําอย่างอื่นอีกมากมายในระยะที่6ปีเป็นการทดสอบทดลองเล่าข่เกิดว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันจะอยู่ในไก่ทรมานไก่ค่ายๆเขาว่ า, าพ่อลูกจักที่หลัง เมื่อพอทรม่านกายแล้วบาดมันเที่ยงเรื่องทั้งหลายเพราะแม้เรื่องของกายมันเป็นเรื่องของใจคือตัวภูรูคือน้า ม, มาธรรมเพราะนั้นเท่าจึงจับประเด็นได้ว่าในร่างกายของเขานะี่สองนี่สองอย่างอยู่ในตัวของเขานะี่โลกมธรรมคือร่างกายน้า ม, มาธรรมคือจิตใจคือตัวภูรูนะี่คือน้า ม, มาธรรมถ้าหาว่าเปรียบเทียบไปเห็นชัดเจนก็คือร่างกายของเขานะี่คือกันกับรถ รถรถยนต์แต่น้ำมาทับคือกันกับข้นขับรถอาศัยกันอยู่สองอย่างแต่ก่อนในเข้าทรม่านรถเออข้าไห้มันกินน้ํามันน่อยมันจะเป็นจังไหร่ออดบั้งเออเพรามันกินน้ํามันน่อยมันก็จะอึกอักอึกอักเลยนไหพรากินนํามันหน่อยเลอบ้าน้เพิ่มน้ำมันให้มันหลไหลมันเป็นยังไงพอได้ชดเข้าทดลองเบื้อง ในการทรมานเรื่องร่างกายเจาว่า ก, การมาสุขันลิกาไอ้อตตกิลมัตถาทรมานกายเบิงเหล้าบ่เป็นทางบาทในเข้าก็เลยเปลี M, ่ยนไหมเปลี่ยนไหมเคื อ, อย่งเข้านั่งสมาธิวันเดือนหกเพนวันเดือนหกเพนนั่งสมาธิขาขวารับทับขาซ้ า, ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้าเนี่ยคือคืนกับพวกพระประธานที่นั่งต่อหนาพวกเข้านี่แหละเพื่อ น, น, นั่งทันทีแหละพระพุทธเจ้านาั่งจากนั้นเพื่นว่ากำลนงลดลมหายใจเขา่ารัวหายใจเขา่าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข่าออกนั่นอาจากนั้นใจของเพื่อนกัร่วมสงบลงเป็นหนึ่งจิตลงนิ่งลงสงบคลายคลายก็ว่าโซ่เพเนื่อ ย, ยุดนิ่งพอนไป แต่ว่ารถเนี่ยมันยังเดินอยู่เลยรถเนี่ยมันยังติดจึงึงจึๆจึงึงอยู่ต่อไปแต่ว่าใจของคนโซเฟอร์อยู่ในความสงบน้อนรับดิ่งอยู่ในรถเออจากนั้นมาการหลึกชาตินหลังได้ว่าปุบเพยเนวาสานุัติยานละลืมลําลึกชาตินหลังได้คือมีญาณนาทัศน์เนี่ยพอจิตสงบเข้าไปใจอยู่กับตัวเท่านั้นเลเกิดญาณนาทัศนะลําลึกชาตินหลังได้เพื่อลําลึกชาตินหลังได้ มือวาดเขามาจักใส่มือกร อ, อ, อาทิตษกกรเดือนกรปีกอนแล้วก็คิดขามพกขามชาติไปอีกกว่าชาติกรเขามาจากรใส่แล้วก็เป็นลอยๆพันๆชาติโอ้คนเท่าเ น, น, นี่ตายแล้วบอสูนนี่แหละลักของพุทธศาตสตร์าสตร์พระพุทธตายแล้วบอสูนเนย์บาทาเน่นพ่อเบิ้งเจ้าของแล้วบาทมาจากรใส่มาถึงมาถึงจุดนี่แล้วก็เบังผู้เอิญบาท น, นี่ อย่างพวกเข้านางทั้งไก่ทั้งสองร้อยีย่รอยี่สิบกว่าคนองไรเป็นอย่างบกคือกันผู้ยิ่งก็คือผู้ห ย, ยิ่งยุกแต่พอผู้ที่ก็คือผู้ทยยี่ยุกแต่มันบกคือกันเพราะเหตุใดานาตามีคือการมัดแต่บกคือกันเพิ่นเมืงองบองมอกเมืองแล้วเพิ่นบอ ก, บอกว่ากรรมกรรมจำแนกให้ทรัพยสัทธ์ทั้งหลายเกิดมาบกคือกันกรรมหนึง่งเป็นของละเอียดมาก จำแนกให้ซับประซัตพอกคนเท่าคิดก็คิดบวกขึ้นกันเนยมักกับมักบวกขึ้กันชอบก็ชอบอชอบวคือ้กันบางที่บางที่ก็โกรธบางที่ก็หลบบางที่ก็ลงบางที่กันหนักไปทา้งโทสะบางที่กันหนักไปหนักไปทา้งลากะโมหะเนคนเท่าบวกขึ้กันเพปในเวลาเกิดมากกับกเกิดบวกบวกบวกขึนกันกรรมคือ ก, การ ก, กระทําถ้าว่าผู้ใดทากรรมดีในอดีตชาติผู้นี่เออชอบในการทําบุญทําท่าน เกิดมาพบนาชาติหนะก็เป็นค้นลำลุวยแต่ว่าเกิดคนนี่เป็นอย่างนีอเกิดมาในท้องแม่เดียวกันเป็นอย่งนี้ทกอย่างหยากย่ ง, ยงจนกามูเอออใ น, นสง์ของคนคนนี้ในอดีตชาติเขาขี่ข้านขี่เกียจเขาบบเสื้อในบุญในกุศลเขาโบทําบุญโบสรั่งบุญสั่งกุศลขี่เกียจในการทําท่านที่เกียจในการรักษาสินขี่เกียจในประการประกอบคุณงามความดีเขาเกิดมาชาตินี้เขาจึงจน แต่โบนิบุคคนผู้นี้เป็นอย่างเกิดมาแล้วเป็นบาเป็นบาเป็นใบเป็นโ ง, ง, ง, ง่โงกเงเป็นคนที่โ ง, ง่บไม่มีสติบไม่มีปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าเพิ่งมองอีกเพราะคนพู้นี้จิตใจผู้นี้ชาติที่แล้วมันชอบกินเหลา้าชอบยัดอชอบเรื่องของมุนเมินเมาอันนี้สงแห่งการมึนเมาน่ยชาติที่แล้วน่ะมันมาให้ผลชาตินี้นี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าเพิ่งมอง มองสรพพสัตต์ทางหลายดูแลดูแสัพพสัตต์ทางหลายจุตูปะปะตาตยานการจุดิการเกิดการตายของสรรพสัตต์ทางหลายเป็นมา้าพกกรรมกรรมคือการกระทำทำตีได้ตีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้พ น, นพระพุทธเจ้าเพิ่งยังบัญญัติว่าอักตรังตุกตังเซโยปัชชาตปติตุ ก, กตังตตกรรมชั่วหรือความชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วหรือความชั่วนั้นเมื่อทําลงไปแล้ว จะให้ผลติดตามมาเมื่อภายหลังคันว่าเข้าเ็ศในชาตินี้มันตามไปทอดชาตินาพ้นได้เพราะนั้นอย่าไปเหตุกำม์ชั่วเพ้นว่านี่แหละพระพุทธเจ้าเพ้นบอกกาวกับพุทธบริษัทเพ้นไปค้นขว้าศึกษาอยู่ในโคนตนโพ่เงาตนโพ่พุทธกยาขึ้นที่เพ้นในตัสรูปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นพวกเข้าทั้งหลายอยากจะหู้จักกว่า ตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วศูนย์มันเป็นอย่างไดนะวิธีนั่งภาวนากําหนดอย่างที่หลวงพอบอกนั่งคัดสมาธิก่อนรับก่อนนอนมือหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงเข้าจิตนั่นงภาวนาสัก30สิบนาทิดายบอกมือหนึ่งเออรวยมากมันบ่ดได้เลยเออเพราะว่ามันกิเลสเอาไปกินมดแต่ว่าตามไม่จริงมือนึงหน่าจะได้นะหลวงพ่อว่าน่าจะบังคับให้ได้ก่อนรับก่อนนอนแล้วตื่นนอน เงี้ยเงี้ยมาขึ้นดึกสงัดรับไฟเสียรเรียบร้อยเลยกันัน่นแหละอวาพระเออไวายพร ะ, ว า, พ ะ, าะวายไปใช้ก็ระไรว้ไปหัวหมองนอนหัวหมอนเท่านะ่ะพุทธโธธรรมโมสังโฆลหังสาวาคาโตสุปสิปโนโ น, โนโมตัสะเจากแล้วเราก็นั่งภาวนาเอานั่งรับตานางภาวนานั่งพับเพียบก็เลยนั่งคาตมารก็ได้นั่งเก้าอีกก็ได้เออแล้วก็ภาวนาพุทธโธพุทธโททธโทกำหนดลมหายใจเขา่าหายใจออก บ่ได้ยกบ่าได้ยกคู่ยกขั้นบ่าได้ไหวคู่ไหวขั้นอย่างไดมีแต่กำหนดจิตให้อยู่กับลมหายใจเข่าออกเท่านั้นละ่ะพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอ่อจากนั้นจิตใจเขาเข้าเข่ขาสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข่าสู่ความสงบแล้วเข้าจะหูใดว่าร่างกายกับใจของเข่เป็นคนละอันกันได้บาดนี่คือกันกับรถกับข้นขับรถอย่างที่ลงพอไดีบอกให้ฟังนะใจของเข่าเนี่เป็นคือกันขับค้นขับรถ แต่ว่ากายของเขานี่คือกันขับรถนะแต่พวกพุทธเจ้าให้ความสําคัญค้นขับรถมากกว่ารถเอรถเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เป็นยังสั่นล่ะแต่ว่าค้นขับรถเนี่ยอบุคคลขับผู้ที่ขับรถนั่นนะถ้านนิสัยดีมีมัลยาคมอคนนั่นก็เอเป็นคนดีพูดออกไปก็ดีทำออกไปก็ดีทํานิสัยนิสัยดี ถ้าว่าคนที่จิตใจมันชัว่ใจของเฮ้าเนี่ยมันไปทั้งกกเลตโลภโกรธหลงเน่ะมันพูดออกไปกับพูดชัวถ้าทํอาออกไปกับท่ำชัว่เพ่อะเหตุใด้พรใจของเฮ้าเนี่ยเป็นผู้พายชัวเพราะนั้นหลักท่ำขั้มสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นเน้นหนักเรื่องของน้า ม, มาัทธร์ทมากกว่าลูก ป, ประท่ำ เ, เพราะนั้นขอให้พวกคณะทัศน์ท่าญาติโยมลูกหลานทุกคนเนาะ บาปปุ่นคุณนโทษนรกสวรรค์มีจริงเพราะฉนั้นอย่าไปเหตุกรรมซัวกรรมซัวอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมซัวทำไปแล้วเดือดร้อนเมื่อภายหลังแล้วกับหลวงพออ่อยิ่จะขอย่ำให้พวกเข้าทันทั้งหลายเข้าเกิดมาจากสาเกิดมาจากพอจากแม่เพราะทุกเมื่อนี่ลูกเสีกววามเด็กทั้งหลายพบเกิดไม่ไ่ที่หลังทั้งหลาย พอค่อยจะหูจักสูงหูจักต่ำหูจักสิ่งควรบอกขวนเพราะพ่อแม่ก็บอกสอนบ่กมีปัญญาสีสอนลูกบอกมีปัญญาสี่สอนเด็กหน่อยเพอรเพอเด็กหน่อยสีสอนผู้เฒ่าอีต่างหาเไอ้ค่อยนั่นหลวงพ่อมาหาวัดหาว่าเนี่ยหลวงพ่อจะสอนบอกกาวเนอให้พวกเข้าเกิดมาจากใสให้พวกเข้าคิดเบิ่งซิเพราะพวใทเจ้าเพินว่าอาทิตเบื้องหน้าคือขึ้นพ่อคือแม่เนี่ยเข้าตื่นขึ้นมากคือเขาเห็นพระอาทิตย์เนี่ย เนี่ยแงเหมือนเศ้ า, า, ขาเขา้าไปเห็นพระอาทิตย์โพขึ้นมากอันนี้พ่อแม่เข้าคืนกันพ่อเข้าลื้มตาขึ้นมากเข้าก็เห็นพ่อเห็นแม่เข้าก่อนเพราะนั้นพ่อแม่เข้าเลี้ยงเข้ามาพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลระพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้กคือนาทีของลูก จะต้องปฏิบัติกับพอแม่ขันว่าพอพีน่องของเห่าลูกของเห่าตัวของเห่าไอ้ถ้ำตัวบอดีกับพอกับแม่ไอ้ต่อไปไพ่ภาคหนายอ้ลูกของเห่าก็จะปฏิบัติตัวบอดีกับเห่าได้กับมูนในหน้าวัตติโลกโก้ซัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทํางไว้นี่แหละมีหนังสือเล่มนึงหลวงพ่อแจกไปแจกเมลืล่ะ เพราะเขาพิมพ์มาบอนลน์หลวงพอบาดเดืองพระคุณ ข, ของบิดามารดาหลวงพระคุณของบิดามารดานึ่หลวงพ่อมาสาธกให้แกคณะท่ า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังมีในข้างพระพุทธเจ้าในข้างพุทธการมีภาพผู้หนึ่งมีลูกเก่าข้นแล้วก็สองตาญยาตยิเป็นผู้ขยันหาเงินได้อีกหาเงินได้โกดหนึ่งโกดหนึ่งก็คือสิบป่านเพราะในเงินสิบปานมาแล้วกัน ต่อมาแต่นั่งพั่มานี่คือเมี่ยเนี่ย ต, ตายไปก็ตายพอเนี่ยก็เลยดูแลลูกชายทั้งเก่าคนลูกชายก็เป็นนุมเอเลี้ยงกันคืนมากต่อมาพอก็เลยจัดการเอให้ลูกชายแต่ละคนแต่งงานเป็นเออเป็นคนเป็นคนเป็นคนเป็นคนไปถึงเก่าคนชาวบ้านลูกเก่าคนแต่งงานมีครอบขั้วมัดแล้วนไปก็เลยบอกกับพอเอพอพอพวกผมเนี่ยมีครอบขั้วมดแล้ว พอมีเงินเด็กทราบว่าพอมีเงินอยู่โกรธเนืองอ่ะเอาให้พวกผมซะอคนละโกรธคนละคนคนละลานละล้านไอ้สิบล้านเป็นโกรธเดสิบหมื่นเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกรธให้พวกผมคนละล้านละล้านให้พวกผมออกไปถ้ามากค้าขายเป็นทุนพอชิว่าจังไหนโอ้ยพอกระหามมากกรหามหาให้ลูกนั่นแหะให้พวกลูกลู ก, ล ก, ลกเอาแบงกัน เอามาแบ่งกันคนละล้านละล้านบาทนเดน็กอยู่กบพอกันล้านนึงเต่อมากกันพวกนั้นก็ทำมากค่าขายความค่าขายพวกเข้ากองหูจะแล้วมันบอกพ่อไงได้นี่ยซื้อขึ้นไปไม่ให้ทีใหญ่ไปหนาโอ้พอพวกผมขอแบ่งแต่คนละแสนพอ่างเงินขาดมือเหมือนนเออเอาแบ่งอีกให้คนละแสนพอคนละแสนมันยังอยู่กับพอ น, นี่เอแสนหนึ่งบาท ต่อมาเอกทํามากค้าขายขาดอีกบานางไอ้ยพอ่อพกผมยังได้ผมผมก็บเเลี่ยงพ่ออยู่เลยแหละแบ่งกันซะเอามาเกลี่ยกันไอ้คนละมือเนาะพอนะเนี่ยเอาสุดแท้แต่สูตก็ให้คนละมือ น, น, ออ น, น, อนบ้านใน ย, ยังรอ ย, ยังเหลืองเงินจุ ก, กับพรเนี่ยพันหนึ่งบาทอ่าพอพั น, นหนึ่งกัพ่อก็ใช่ไปใช่ม้าในี้ยพ่อเนี่เขาทำมาค้าขายไปนลยก็ะมัดบัตรเนี่ ย, า ม, า ย, ม, นนยมันก็ดลอยล้อลงไปล่ะพ่อลอยล้อลงไปเนี่ยผู้พ่อเนี่ยก็อยู่กับลูกใช้ไง ลูกชายคนโตคน้นไปพ่อลูกชายคนโตโยกไปโยกไปอลูกสะพ้ยขึ้นมากเบาขึ้นมากแล้วได้บาทเนี่ยปูเนี่ยโบหูจกักไผเนาะหูจักตะบานเฮ้าพี่น่องต่างหลายคนโบหูจักบานไผ่หูจักตะบานเฮ้าโยต่บ้านเฮ้าทั้งผู้ปูเนี่ยลูกสะพ้ยอีนีิมันดากมันไลกูออกจากบ้านแล้วเนี่นยจะเนี่ยก็ตอมากันน้าขู่ขึได้นนเลยเ้าขึ้ น, นเรื่อยโอ้บ่ได้หอก หนีมาเลยผู้เฒ่าเขาเลยเปใจน่อยเด้เพราะบ่มีแม่บ้านน่ต่างหากเงิ่นก็ะมดแล้ววานก็เลยหนีไปอยู่บ้านที่สองบ้านลูกไส้ผู้ที่สองพอบ้านที่สองไอ้ลูกสะไบมันกระเมาขึ้นเกาอีกบางเงิ่นมอลารเป็นแบงทอการมึดบางทไปบ้านผู้อื่นมาอยู่แต่บ้านเฮาไปบอกกับลูกเขาผู้ป่วว่านโอ้ว่นไหนเขาไล่กูอีกแล้วเนี่ยไล่อีกลงไปอีกลงไปไล่ไปจนหอดผู้ชุดทองชุดถ่ายกันออกไป พ่อชูท้ายเนี่ยไอ้ลูกสะไบลูกลานี่ยเอาอดกแล้ป่ะลูกสะไบลาเนี่ออ ย, ยมันก็ว่เอาอ ก, ก็เอาไหว้กระสั่นกูก็ยุบอะไรตัวเนี้วสัน่นกูหาขอท่านกินดีกว่าสิเนมืองอินเดียผมขอท่านได้เลยกูเท่ากันได้ยามไปนึ่ได้ได้หมอโลกหูขาดเจ น, นึงน้อยนียงวานออกไปเออจากนั้นก็ได้ไม่เท่าไปแล้วขอท่านแล้วานอุปายชัดเซ่พระเนจนไปเลยหายอยู่หากินรับมงไดนอนมองหันคำมงได้นอนมองหัน อาบนาา้าอาบเทาเพต้องว่าเราเข้าไปเพราะมันคนขอท่านแหละเด้่ยยอมเสียสาระเป็นคนขอท่านหาอยู่หากินไปเลยนะได้มองได้กินทั้งอิ่นทั้งอิม่มทั้งบ้อิ่มละ่ะบ้านนี่ไปเห็นประตูวัดป่าเชตตะวันออพอเข้าไปโอ้ปรวัดป่าเชตตะวันตัวนี้ยเอได้ยินแต่ส ม, มณโคดมพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตาเป็นเพิิ น, เ ป, นเป็นเสือกษัตรยนะเท่าหน่าจะไปเขาไปหาเพลินบางที่อาจจะมีของดีมี อาหารการบริโภคพลังเจริญเขาคงจะมีอยู่มั้งขาไปหาเพิ่นชักน้อยก็ดีก็เลยเข่าไปพ่อเขาไปกราบไปกราบพระพุทธเจ้าก็ะถามว่ามาายัางภามมีอาชีพยังทํำยังไงภามคนนี้ก็เลยบอกให้ฟังกราบทุ่นพระพุทธเจ้าโอยขาพระองค์ตะกรันก็เป็นมีฐานะมีอันตะกินมีเงินอยู่โกดเนึงต่อมา ก, ก็มีลูกไส้เก้าขนก็แบงสมบัติภาพเขาบอกซื้อให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าในเยินพึงก็เออภาม เอาบ่อห้าสีหาา่หอาหอกาวข้ามคมหรือว่ากาวศูนย์ทรพนพดหรือว่ากาวฆ่าถาเอในถีชุ่มชนพามก็บอกว่าพระพุทธเจ้าหายยังเอามัดไปเจ้าขา่านี่ยเออข้าแเอาตั้งใจฟังเดี๋ยวห้าสีสอนหา่าะฟังพามก็นัง่งประนมมือฟังพระพุทธเจ้าเพิ่งจะสอนแ่ะสอนสอนสอนจําได้มั้ยนะยังจําได้ไดละครับเออเอาถ้าจําไปได้นะ ออกจากนี่ไปให้ไปประกาศบอกว่าลูกลูกทางหลายเอ้ยลูกสะพ้าลูกหลานทั้งหลา ย, ย, ล ย, ลาลายปูเนี่หนีออกจากบ้านนั่นบริสั่งได้ล่าอีกตังหากก่อนไปแต่บ้านนี้ปูกลับมาแล้วพีหน่องลูกหลานญาติหมู่บ้านให้มาฟังนะเดี๋ยวสีสั่งสีล่าละมาไปบ้านนี่คือจะบอกลับมาอีกเพราะนั่นเห็นให้มาฟัง อม่สีสัง่งม่สีสั่งสีลากันก่รไปเข้ากรบดใสั่ซังใส่ลาพี่น้องลูกห ล, ล, ล, ล, ลานลูกหลุกหลานหลานทาั้งหลายคนทั้งหลายกระแตกเฮอมาแล้วโาไปมาฟั่งเพราะมามาฟังม า, มาฟังไอ้ภามสีสั่งสีล่าไลยแอบบางคนก็มากิดโอ้แอบไผจะเป็นหนี่หนี่ศีลอยู่ม้องไรไอ้ภามกับขงจะบอกให้ลูกให้เต้าไปตามเอาหนี่เอาศีลก็มังไอ้เพราะตะกรเขาก็มีฐานะดีนะเน่ยแอบไปฟั่งรู้ ตังคนก็ตังมากฟังยังผวกเข้ามานนางฟังเทพนางอ่อมสลาดจรงจีแะสาวลาจริงจีแหละไอ้ามก็ได้ยามใบหนึ่งไพ่ไใ้่บาอะไรกัมีหมอโลห่หนึงเออมัดใส่แหวแล้วกมีไม่เท่าเออไม่เท่าอันนึงงภามก็ยืนยกกลางฟอ้นะอแล้วมนอยไปอกลางนี่สิชุ่มชนทางลูกสะัย่ลูกไส้หลานมากับนางอ่อม้าญาติพี่น้องทั้งหลายก็นางออม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 เอาไม้เท้าปัดวัดเหวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยภาพากาวสุน ท, นทรอพดวนไปที่พระพุทธเจ้าสอนให้เลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่บ่อแทนมือพ่อใดคือเหมือนใจหมายคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมากเนี่ยเพื่อเมื่อเทาแก่ชล่ามากเพื่อจะให้ลูกรับนาทีแทน่นพวกเข้าเถาแก่ชล่า พวกเขาจะได้เลี้ยงดูเฮอาแต่บานนี่พ่อขนาดนี้แล้วไปอยู่กับไผ่ไผก็บอกว่าหูจาหาาห้จักบ้านเฮ้าโบจักบ้านผู้อื่นนี่แหละยๆว่าภาพาในเลี้ยงลูกมาในพิษวังในการเลี้ยงลูกเนี่ยบ่ไร ย, ยังใจหมายภาพาบ้าเล อ, อบ้า น, นเ้พนกับบรรยายถึงไม่เท่ากันบ คุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ามกายย่างย่องจ้องจดตุนคันว่าจียางไปใส่มันสิลมไม่เท่าเขายังคขำขำเข้าใดอยู่เข้าบหกบลอไปข้างไหนเมื่อเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ ร, ร้ายจะวายวุ่นกันเมื่อไปพบหมาหมาจิม า, มา ก, กัดเอาไม่เท่ายกใส่ไล่หมาก็ยังได้ยังได้ความงวงควายจิมากยกไปเท่าป้า จิตไลม่มันมันก็ยังยานไม่เท่า น, ะนี่แหละสรุปแล้วคือลูกทั้งเก่าค่นสูไม่เท่าพอบอใด้ใพาพว่า้ามบรรยายพอพวกลูกทั้งหลายได้เงี้ยนเท่านั้นโอ้ยหมอกล้าเปลือนั่นไปโอ้แมนดิแลแมนความพออลีล่ะเรียงลูกมานะี่กว่าลูกสีเงอออกมาแล้วมันแบบาใจนะก่าเรียงหญยทั้งขี่ทังเงยวทั้ง อ้ยังต้อยยังก็จะลูกจีไงขึ้นมาแต่ละขู่แต่ละคนมหาใหญ่ขืนมาทั้งที่จะเป็นหูเป็นตาถอดแท่ น, ท น, ทนพอแท่นแม่เมื่อเลี้ยงเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือนาทีของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแต่พ่อเลี้ยงขืนมาแล้ว เฮ้ öh. lire, ปล่อยปลาละเลยพ่อแม่พึ่งผ้าอาศัยบอย่อใดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเขานะคณะทัท่าญาติโน้มที่หลวงพออ่อบ่อไห้ฟังทั้งนี้ให้พวกเข้าทบท่วนบังว่าพ่อแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็ควรจะใจใจเพราะเพิ่นเลี่ยงมาเนี่ย่างที่หลวงพ่อเวบาแล้วก็เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวเเ่อแม่ตายไปแล้วเพิ่นก็บ่อไห้ปล่อยปลาละเลยอยีกให่ถําบุญอุทิศส่วนวกุศลให้เพิ่นอี ก, พ, ก, กพ่อแม่เอ้ย เนี่ยตกลวงวิญญาณอยู่ใสตอตกทุกแต่ ย, ยากจังไดผู้ขาดจากัตกตักบาทภู้ขามาทําบุญให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากภู้ขานะเน้อพอวันร่างกายของเอ้าเนี่ยยังเป็นมอระดกของพอ่อของแม่อยู่เพราหนั้นเท่าเวลาทําบุญก็พุทธชวนกุศลให้เพิิน อ, อันนี้คือรับธรรมขั้สอนของพระพุทธทเจ้าเพราะนั้นขอให้คณะจัท่า ญ, ญาติโน้มทุกหลักลานทุกผู้ทุกคนนะที่มาสู้วัดว่าศาสนาหลวงพ่อก็ได้ อธิบายแนวลักของพุทธศาสนาให้แก่พวกเข้าทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือท้ำดีๆถ้ำชั่วได้ชั่วตายและเบิดศูญพระพุทธเจ้าไปคนขวัญศึกษาเป็นศึกษาเบื้องแล้วร่างกายคือคือกันขับรถจิตใจนี่คือกันกับค้นขับรถร่างกายเนะี่ยมีปาชาเผาได้แต่ใจบ่มีปาชาออกจากร่างกายไปเกิดปฏิสนทธิในภพภูมติต่างๆได้ไปเกิดเป็น ช่างหมากงวกควายมูมาเป็ดไก่ใดทั้งนั้นถ้าคนมีบุญก็ไปสู่สวรรค์ถ้าคนทําความชั่วก็ไปตกนรกอ่าไปเข่าโกงขังไปตกนรกคือกันกับคนชั่วในเมื่อมนุษย์เท่านี่แหละถ้าคนดีไปอยู่ใสขงงา้ามีแต่งานราชีถ้าคนเป็นขี่ขโมยพ่อโจรทําบ่ดีเขากไปขังคุกเขาไว้จังสั่นแหละความชั่วไปขังอยู่แบบนั้นความดีเนี่ยมาอยู่แบบนี้นี่แหละ ไปบรรลุภัยภาคหนาเกลื่อนเขาว่าผู้ใดตายไปแล้วขันว่าความดีกับไปสู่สวรรค์ถ้าว่าผู้ใดเห็ุความชั่วกับไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นสัตติธัชฌานเกิดมาเป็นคนกับเป็นข้นหูหัวกตา บ, าบาอดตาใบเสียจิต อ, อย่างที่ข้นพวกเข้าได้เห็นเห็นกันเนี่ยพนันมุนีหลวงพ่อได้กล่าวสัมโธมธนิยคถาให้แกคณะจัทถาญาติโยบุตรฟังขอให้พวกเข้าเมื่อฟังไปแล้วก็ออนั่งไปคิด การกล่องไตรต่องเหตุและผลนั่มาผระพืชปฏิบัติปรับปรุงกายว่าใจาใจของพวกเฮาท่านทั้งหลายการเกาวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณภาษีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุมข้องขอให้พวกคณะัทตา ญ, ญาติโยมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม